ใจจิตออกนอกบ้างจิตออกนอกก็ไม่แปลกหรอกหลวงปู่ ด, ดุลเคยสอนนะบอกธรรมชาติจิตย่อมส่งออกนอกนี่พอจิตส่งออกนอกแล้วเราไม่มีสติจิตก็เพื่มหวนไหวไปด้วยอำนาจของกิเลสก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นในใจ ก็มีเฉพาะพระราหันต์หรอกที่จิตมันไม่ก็เพื่อหมั่นไห้ทจิตจะไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตอย่างพวกเรามันก็ต้องไหลไปไหลามาเป็นธรรมชาติแต่อย่าเอาธรรมะตรงนี้เป็นข้ออ้างที่จะไหลทั้งวันนะไหลล้วให้รู้ไหลล้วให้รู้ฝึกอย่างนี้ให้มากพวกเราต้องเรียนนะตัอ้งอกตั้งใจ ศึกษาพระศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของหายากเป็นของอาาัองอศจรรย์นําเราออกจากความทุกข์ได้จริงได้เร็วด้วยดังนัธรรมะของพระพุทธเจ้านะให้ผลเร็วไม่ใช่เป็นธรรมะที่เนิ่นช้าเนิ่นช้าก็คือจมแช่อยู่กับกิเลสไปเรื่อยๆตามใจกิเลสไปเรื่อยๆเห็นไหมมันเนิ่นช้า ธรรมะของพระเจ้าเหนือกว่ากิเลสแต่ธรรมะกับกิเลสมันเป็นของคู่กันสู้กันมาตลอดนะในใจเรานี้แหละตัดกันแพ้ตัดกันชนะถ้าจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้ดีนะกิเลสมันก็ชนะเป็นส่วนมากแต่จิตที่ฝึกมาดีแล้วกนะุศลธรรมะก็ชนะบ้างก็นะไม่ชนะทั้งหมด สู้กันไปจนถึงวันหนึ่งข้ามภพข้ามชาติได้นะดั่นแหละกิเลสที่หมดพิสสง์อย่างสิ้นเชิงที่กิเลสมันมหมดพิสสง์เพราะว่าจิตน่ะเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ธรรมะเหล่านี้มีอยู่จริงๆไม่ใช่คําพูดปลอบใจหรือคําพูดหลอกลๆให้เราทําความดีพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกใครท่า น, นสอนให้เราปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าหลุดพ้นแล้วมันพ้นทุกข์ได้จริงๆ ท่านไม่ได้หลอกนิพพานก็มีอยู่จริงๆท่านไม่ได้หลอกว่าเป็นสภาวะอุดมกติไม่มีทางไปถึงไม่ใช่มีทางที่พวกเราจะไปถึงได้ในชีวิตนี้ด้วยนะถ้าเรารู้จักวิถีแล้วเราปฏิบัติให้มากพอสองเงื่อนไขท่านะปฏิบัติให้ถูกกับปฏิบัติให้พอนี่คนส่วนใหญ่มันไปไม่ได้เพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆ เขาไม่มีโอกาสนะไม่ใช่เขาไม่เก่งหรอกถ้าเขามีโอกาสได้ฟังอย่างพวกเรานะมันก็พาวนาได้อันนี้พูดมาจากที่หลวงพ่อเคยเรียนจากครูบาอาจารย์มาตอนที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะั้นท่านสอนกรรมฐานให้เหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเรานี้แหละแต่ตอนที่หลวงพ่อเอากรรมฐานนี้มาสอนพวกเรา ครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ท้วงบอกว่ามันเป็นธรรมชชั้นสูงคารวะทำไม่ได้หรอกคารวานะสอนให้ทําทานให้ถือศีลยังทําไม่ค่อยจะได้เลยหรือสอนให้นั่งสมาธิมันก็นั่งบ้างไม่นั่งบ้างไอ้ที่จะให้คารวาะเจริญปัญญานั้นนะหวังไกลไปหลวงพ่อไม่เจียงท่านออกนะเราเป็นผู้น้อยเจียงผู้ใหญ่ไม่ดีเป็นธรรมเนียมพระ แต่เราไม่เชื่อสิธิในการไม่เชื่อเป็นของเราทำไมไม่เชื่อพระหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นฆราวาสครูบาอาจารย์ชมมาแต่เป็นฆราวาสนะไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าพระเท่านั้นที่ภาวนาดีธรรมะนั้นแท้จริงแล้วเป็นของชาวพุทธทุกๆคนเป็นของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกๆคนตอนนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วนะบวชยังไงก็บวชไม่เป็นภิกษุณีแล้ว เพราะเงื่อนไขของการบวชนมันทำไม่ได้ซะแล้วมันไม่มีภิกษุณีสงนะ์ถ้าบวชมาก็คือเรียนแบบนะเรียนแบบภิกษุก็ร้อยหลอลงไปเรื่อยๆนะจำนวนนี้ลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดวิกฤติศรัทธาคนจำนวนมากเลิกนับถือพระพุทธศาสนาแต่สังเกต น, นะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวแน่นมากเลยไม่ว่าจะข่าว ไม่ดีเกิดขึ้นแค่ไหนพวกเราก็ไม่เลิกปฏิบัติเพราะอะไรเพราะพวกเราได้ริมรสของการปฏิบัติมาบ้างแล้วอย่างเราได้ริมรสชาติของความมีสติได้ริมรสชาติของความมีสมาธิได้ริมรสชาติของการเจริญปัญญาหัดแยกธาตุแยกขันธ์เมื่อเราได้ริมรสชาติของธรรมะมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่คลอนแคลนตามกระแสของโลก ศรัทธาของชาวโลกนะท่านเรียกว่าศรัทธาเหมือนกับหัวเต่ารู้จักเต่าไหมเต่านะ่ามีหัวโปรโปรโปรเดี๋ยวก็งอกออกมาเดี๋ยวก็บุบเข้าไปเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าคนโบราณเรียกอย่างนั้นธรรมชาติปุถุชนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นแหละพวกเราเป็นปุถุชนก็จริงนะแต่เราเป็นปุถุชนที่ได้สดับธรรมะได้ลงมือปฏิบัติแล้วเราได้ริมรถธรรมะมาเป็นลําดับลําดับ เรารู้ว่าถ้ามีสติขึ้นมาเนี่ยมันดียังไงมีศีลขึ้นมามันดียังไงมีสมาธิขึ้นมามันดียังไงเรารู้ว่าเราแยกธาตุแยกขันเป็นมันดียังไงเรารู้ว่าเราเห็นธาตุขันสแสดงไตร ล, ลักษณ์ได้มันดียังไงถ้าเราภาพเพียนทําไปเรามีความเชื่อมั่นขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแต่เดิมเราได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้มีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้นี้่คนส่วนใหญ่เขาก็รู้สึกอย่างนั้น บางคนก็คิดว่าพระเจ้าเป็นแค่นักปราศคนหนึ่งหรือเป็นทีมของนักปราศบางคนมองว่าพระทเจ้าไม่มีหรอกเป็นทีมของนักปราศ ช, ช่วยกันแต่งธรรมะขึ้นมาเนะี่ยสารภาพจะคิดเพราะอะไรเพราะไม่เคยศึกษาปฏิบัติธรรมจริงๆอย่างพวกเราถ้าได้ศึกษานะสติเราเกิดเี้ยเราไม่สงสัยหรอกว่าพราะพุทธเจ้ามีไม่มีเนะมื่อวานก็มีสามีภัญญาคู่หนึ่งนะอยู่ศรีราชา หลวงพ่อสอนเสร็จแล้วเข้ามาหาหลวงพ่อบอกว่าท่านสอนเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องสักคำหนึ่งสอนคําว่าสติเนมันแปลว่าอะไรไม่เคยได้ยินถามว่าเข้าวัดไหมบอกเข้าเข้าวัดที่เรียกอะไรเก่งๆอ่ะนะเขาไม่เคยสอนให้มีสติเลยยิ่งงมงายยิ่งดียิ่งจ่ายเก่งนเะนี่ยมาถามเราว่าแล้วที่หลวงพ่อพูดเรื่องสติสติมันเป็นยังไงบอกเออมาถามตอนเราหมดแรงและ เอาซีดีไปฟังนะไปฟังสักเดือนหนึ่งแล้วมาถามใหม่ถ้าแกฟังจริงเนี่ยเดือนหน้าแกจะไม่มาถามแล้วจะไปถามเรื่องอื่นจะ mm. าถามว่าทำไมกายกระใจมันเป็นคนละอันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าพวกเราได้ยินธรรมะแท้ๆมาแล้วนะในเวลาอันสั้นเนี่ยเราจะเห็นผลด้วยตัวของเราเองอย่างคนทั่วไปไม่มีสติหรอกสติขาเป็นสติธรรมดา เป็นสาธารณะกุศลเนียกสาธารณะกุศลกุศลธรรมดาทั่วๆไปแต่สติในระดับที่พวกเรามีเนี่ยมันคือสติปัฏฐานเป็นสติระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจนะถ้าเราทำสติปัฏฐานได้พระพุทธเจ้าท่านก็ฟันธงเลยว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานอย่างเต็มกำลังเรานะ บางคนก็เจ็ดปีบรรลุพระละหาันถ้าเจ็ดปีไม่บรรลุพระละหันก็ได้พระอนาคาบางคนหกปีได้พระละหันหรือพระอนาคาบางคนสามปีบางคนปีเดียวถ้าบอกบางคนน้อยกว่านั้นอีกที่เจริญสติปัฏฐานบางคนแค่เจ็ดเดือนบนรรลุพระละหันหรือพระอนาคา <c oughs> บางคนเดือนเดียวนบางคนเจ็ดวันบางคนวันเดียวนะฟังแล้วลงมือปฏิบัติวันนั้นก็บรรลุวันนั้นเลยอันนี้พวกที่เข้าเคยปฏิบัติมาจนแก่กล้าแล้วนะ อย่างพวกเราเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่ายังไม่แก่กล้าแก่กล้าแล้วไม่ควรจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประมุ่นหรอกนะควรจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนะบนรรลุมากผลไปแล้วไม่ต้องตกต่ํามาเรียนจากหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อก็คงเป็นลูกศิษย์ที่แม่เอาไหนในยุคพุทธกาลเหมือนกันนะเลยมีเวรมีกรรมต้องมาสอนพวกเรา <laughs> <laughs> เป็นกรรมอันหนักเลยนะ <laughs> ครูาจารย์บางองค์ท่านโอ้โอเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะเหมือนสอนกวายให้ขึ้นต้นไม้หลวงพ่อไม่เตียงหรอกแต่พวกเราไม่ใช่กไอยนะถ้าเป็นกไอยเราก็ไม่ใช่กวอยขึ้นต้นไม้ <c oughs> เราจะเป็นควายอยู่ในนาใช่ไหมเราอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราแล้วภาวนาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ทําได้ถ้ารู้หลักนะการภาวนาไม่จําเป็นต้องบวชหรอกนะในอนาคต พิคสุนี้ไม่มีแล้วภิกสุอาจจะหมดไปนะแล้วอุบาสกอวิปสิกานี่แหละรู้หลักของการปฏิบัติลงมือปฏิบัติเราก็รักษาพระศาสนาไว้ได้นะพระศาสนาเรารักษาเอาไว้ในใจของเรานะถ้าใจเรามีธรรมะแล้วเรารู้เรารักพระพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นในพระธรรมนะว่าปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงเรารู้ว่าพระสงค์มีจริงเพราะข่าวาดนี่แหละจะเป็นพระสงค์ได้ พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อใหญ่เนี้ยใส่ผ้าอย่างนี้นะเรียกสมมุติสงฆ์น ะ, ะถ้าพวกเราภาวนาจิตเราเข้าถึงธรรมะแท้ๆเราเป็นสงฆ์ตัวจริงสุปฏิปันโนภควาโตสาวะกสังคโครพระสงฆ์สาวกผู้เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วอะไรเนี้ยเป็นใครบ้างได้ แ, แต่บุรุษสี่จำพวกโศดาสกทาคาอนาคาพระหรหันไม่ได้บอกว่าบวชหรือไม่บวชนะ คำว่าเป็นสาวกเนี่ยพวกเราเป็นสาวกไดนะ้เป็นสาวกเต็มภูมิได้แต่ยังหลวงพ่อเรียกว่าพิคุบทนะ่านไม่ได้บอกสุปฏิปันโนเพระเขาว่าโตพิขุไม่ได้บอกท่านไ่ใช้คําว่าสาวกพวกเรานี่แหละสาวกเย่่าเราปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องนปฏิบัติธรรมให้สมควรเกตธรรมแล้วธรรมะจะมาสู่ใจเราใจเราก็จะเป็นสาวกตัวจริงเป็นพระสงฆ์ตัวจริงไม่ใช่เรื่องยาก ที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะปฏิบัติเชกระทั่งใจของเราเข้าถึงกระแสธรรมเพราะคนสมัยพุทธกาลเขายังทําได้เลยะทําไมเราจะทําไม่ได้เขามีตาเราก็มีตาเขามีหูเราก็มีหูเขามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเราก็มีเหมือนเขาเขาก็มีราคะมีโทสะมีโมหะมีเหมือนเราธรรมะที่เขาได้ยินได้ฟังก็เหมือนที่เราได้ยินได้ฟังทุกวันนี้นะั้นทําไมเราจะทําไม่ได้ ขออย่างเดียวว่าตั้งอกตั้งใจศึกษาให้รู้หลักที่แท้จริงการจะปฏิบัติเพื่อจะพัฒนานะส่วนกระทั่งจิตบรรลุมรรคผลได้นะนะเพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกนะจิต น, ะนั้นบรรลุมรรคผลได้เองแต่จูอยู่จิตไม่บรรลุมรรคผลท่านบอกว่าเมื่อไหร่ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาคือการเรียนเรื่องศีล การเรียนเรื่องจิตการเรียนเรื่องปัญญาในแก่รอบจะเกิดปัญญาในอริยมรรคนะจะเกิดประเด็นปัญญาในองค์มรรคขึ้นมาล้างกิเลสได้อริยมรรคเกิดขึ้นเองอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองเมื่อศีลสิขาจิตตสิกขาปัญญาศิกขาของเราแก่รอบงนหน้าที่ของเราก็คือต้องมาเรียนเรื่องการมีศีลต้องมาเรียนเรื่องจิตต้องมาเรียนเรื่องการเจริญปัญญา เครื่องมือในการที่จะเรียนเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญานะั้นคือสตินั่นเอ ง, ข า, เองเขาด ส, ขาสติตัวเดียวก็ขาดศีลขาดสติตัวเดียวนะก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดสติตัวเดียวเจริญปัญญาไม่ได้สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อต้องพัฒนาสติขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานสอนคล้ายๆแบบเนี้ยนะแกเลยงงมากเลยว่าสติคืออะไรสติคืออะไร พวกเราคงไม่สงสัยหรอกสติคืออะไรพวกเราเลยขั้นสติแล้วสติพวกเรามีอยู่แล้วสติที่หลวงพ่อสอนนี่คือสติปัฏฐานร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกโดยไม่ได้เจตนารู้สึกจิตใจมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกโดยไม่ได้เจตนารู้สึกนี่แหละสติอย่างนี้เป็นสติอย่างดีอย่างพิเศษนะเป็นสติะระลึกรู้รูปนามโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาอยู่เจือด้วยโลภะเจตนานะนี่เป็นคูสชั้นต่ำ ถ้ากูศลชั้นสูงเนี่ยไม่ได้เจตนาจะมีสติสติเกิดเองเรียกว่าอาสังขาริกังอาสังขาริกรังคือไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ได้ชักชวนให้เกิดมันเกิดเองกูศลใดที่เป็นอาสังขาริกังเนี่ยไม่ได้จงใจให้เกิดแล้วเกิดได้เองเป็นกูศนที่มีกําลังแก่กล้างั้นสติของเราที่ต้องฝึกนี่ยคือสติที่มีกําลังแก่กล้าเราต้องรู้ว่าทําอย่างไรสติจะเกิดแล้วก็ทําสิ่งนั้นบ่อยๆสติถึงจะเกิด สติอยู่ดีๆเขาไม่เกิดหรอกสติเองเขาเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดก็ไม่เกิดหรอกเห็นไหมสติเขาเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เห็นไหมถ้าไม่มีสติขึ้นมาศีล ส, สมาธิปัญญาเพราะไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีมรรคผลก็เกิดไม่ได้อีกเนี่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนั้นเราต้องมาพัฒนาสติขึ้นมาให้ได้ซะก่อนสติสั่งให้เกิดไม่ได้ก็จริงนะแต่ท่านสอนไว้ว่ามันมีเหตุใกล้ที่จะทําให้สติเกิด เราทําเหตุนั้นบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองเห็นไหมคําสอนในพระพุทธศาสนานะจะไม่มีการไปทําที่ตัวผลจะทําที่ตัวเหตุตลอดเลยเวลาเกิดกิเลสนะก็มีเหตุของกิเลสกิเลสถึงจะเกิดเวลาจะมีทุกข์ก็มีเหตุของทุกข์ทุกข์ถึงเกิดเวลาจะได้มรรคผลก็มีเหตุให้เกิ ด, กดมรรคผลก็ต้องทําเหตุอย่างไฟจะไหมนะ้ไฟจะไหม้ก็เพราะเหตุมีอุณหภูมิสูงมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจน มีเหตุสมควรแล้วประชุมกันขึ้นมาไฟก็ไม่ถ้าไม่มีเหตุไฟมันก็ไม่ไหม้นะอย่างไฟไหม้บ้านเอาน้ําไปฉีดนะลดอุณหภูมิลงลดอุณหภูมิลงเหตุของไฟไม่มีไฟก็ดับนะไม่มีใครดับไฟได้นะที่ดับคือดับเหตุของไฟเวลาทําเราก็ทําที่เหตุเหมือนกันในฝ่ายชั่วเราก็ละเหตุที่ชั่วในฝ่ายดีเราก็ทําเหตุที่ดีอย่างสติเนี่ยเหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่น จิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่เควงคว้างไม่ใจลอยไปหรือยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวมีความสุขรู้สึกตัวมีความทุกข์รู้สึกตัวรลบกรดลงรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาเป็นตัวรู้ทัน โกรธขึ้นมาก็รู้ว่าโกรธโลภขึ้นมารู้ว่าโลภหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเนี่ยมันรู้ตัวอยู่รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจอยู่ๆมันไม่รู้ต้องหัดรู้บ่อยๆเหมือนอย่างเราจะจําคนได้สักคนหนึ่งนะเราต้องเห็นคนนั้นบ่อยๆอย่างญาติของเราเนี่ยไม่เจอกันนานๆเป็น10ปี20ปีเจอกันก็จําไม่ได้ละอีกคนหนึ่งเจอกันทุกวันเลยไม่ใช่ญาติเราหรอกเจอทุกวันทุกวัน จำได้แม่นเพราะคนนี้มาปุ๊บเรารู้เลยว่าคนนี้มาแล้วคนนี้มาแล้วการที่เราจะรู้ทันนะร่างกายหายใจออกรู้ทันร่างกายหายใจเข้ารู้ทันร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ทันมีความสุขความทุกข์เกิดในกายรู้ทันมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดในใจรู้ทันมีกุศลอกุศลเกิดที่ใจรู้ทันหรือจิตใจจะเกิดดับทางทวารทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกาใจรู้ทันจะรู้ทันได้เมื่อเห็นบ่อยๆนะ การจะฝึกเห็นบ่อยๆเรียกว่าการทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติการเจริญสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทาไปเพื่อความมีสติขั้นตอนที่สองเมื่อมีสติแล้วแล้วก็มีสมาธิมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้ว <S <S ここก็จะเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาสติปัฏฐานมีสองอขั้นแรกให้มีสติขั้นที่สองให้มีปัญญาวิธีให้มีสตินะเราไม่จาเป็นต้องรู้รูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหมด รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดมีจำนวนมากนะมีเยอะมากเลยนะสภาวธรรมมีทั้ง7จบสตัวจำไม่ไหวดูไม่หมดเราเลือกเอาตัวที่เรารู้จักบ่อยๆคนไหนรู้สึกในร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวได้หายใจเข้ารู้สึกได้ก็รู้การหายใจไปเนี่ยทำกรรมฐานไม่ต้องทำทุกอย่างทำอย่างเดียวพอแล้วนะถ้าหายใจออกแล้วรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปแล้วใจหนีไปคิด รู้ทันว่าหนีไปคิดใจก็กลับมารู้สึกที่การหายใจใหม่ต่อไปเวลาเราหายใจไปเรื่อยๆเราไม่ได้เจตนาจะรู้การหายใจเพราะจิตหนีไปคิดล <alive> <two> ืมการหายใจสติจะเกิดขึ้นเองสติจะเกิดขึ้นเองอ้าวลืมลมหายใจไปละเพราะจิตมันจําลมหายใจได้แม่นหรือบางคนดูท้องฟองยุบหรือเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินจงกรมดูท้องฟองยุบเห็นร่างกายเดินจงกรมแล้วจิตมันหนีไปมันหลงไปมันเผลอไป เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยแอสตันไปขยับพัดล ม, มจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่แอสตันบ้างไปอยู่ที่พัดลมบ้างระหว่างแอสตันกับพัดลมเราดูใครมากกว่ากันใครดูพัดลมดูซิใครดูแอสตันเห็นไหมจะดูพัดลมแอสตันไม่มีใครเขามองเลยเขาดูพัดลมใจเราหนีไปอยู่ที่พัดลม เรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจนี่แหละขาดสติปัฏฐานลนะถ้าเราคอยฝึกกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหนีไปรู้ว่าหนีจิตหนีเรารู้ว่าหนีตัวนี้สำคัญมากเลยนะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยคือฝึกให้เกิดสติขึ้นมาจิตหนีไปรู้ว่าหนีจิตหนีไปรู้ว่าหนีจนจิตจำสภาวะที่หนีได้แม่นยาเช่นเราพุโทโธพุโทโธอยู่จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ พุทโธใหม่นี้อีกก็รู้อีกต่อไปพอจิตหนีปุ๊บมันรู้ทันรู้ว่ามันหนีโดยไม่เจตนาจะรู้นี่แหละสติตัวจริงเกิดละวันทุกคนต้องฝึกนะแบ่งเวลาไว้อย่างน้อยวันหนึ่ง15นาทีทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปตรงที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปเรื่อยๆนะจิตจะจําสภาวะของการหลงได้แม่นต่อไปพอจิตหลงปุ๊บสติเกิดเอง ถามว่าใช้สภาวะอย่างอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะเช่นโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธอย่างนี้โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธต่อไปเวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องเจตนารู้ว่าโกรธก็รู้ได้เองเรียกว่าสติเกิดนะแต่ทําไมหลวงพ่อชอบสอนว่าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลเป็นจิตที่มีโมหะจิตจะโกรธได้ต้องมีโมหะจิตจะโลภได้ก็ต้องมีโมหะถ้าเล่นนะหลวงพ่อเป็นคนใจร้อนฟันเก็ฟั น, ห, ฟนหัวโจกกันเลย ปานตัวโมหะตัวหลงนี่แหละถ้าจิตหลงไปนะมันเรารู้ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวราคะก็เกิดเดี๋ยวโทสะก็เกิดงั้นเราจะไปดูที่ปลายทางเราเห็นราคาานะเห็นโทสะยังไม่ทั่วถึงยังไม่ทั่วถึงกิเลสครอบคลุมกิเลสได้ไม่หมดงั้นเรียนกับหลวงพ่อทั้งทีนะเอากรรมฐานสุดยอดเรียนทําไมกิ๊กก๊อกๆนะถ้าเรียนไม่ไหวจริ ง, รงๆหรอกค่อยลดระดับนะมีให้ทุกระดับแหละแต่ว่าพวกเราหน้าตาดูใบแล้วเดี๋ยวนี้ ว่าจะรู้ทันจิตที่หลงได้จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้อย่าไปห้มามมันนะให้เคลื่อนเรารู้อย่าไปห้มามว่าห้ามเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนจิตจะแน่นถ้าจิตแน่นเป็นอกุศลสติไม่เกิดหรอกอกุศลมันเกิดจิตที่แน่ น, นๆเป็นโทสะมูลจิตจิตที่อึดอัดนะเป็นโทสะมูลจิตเมื่อจิตมีโทสะอยู่กุศลไม่ไม่มีสติไม่เกิดนั้นอย่าไปบังคับตัวเองจนแน่นๆ ฝึกทักกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งเอาสงบฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งเอาจิตตั้งมั่นนะฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งเอาความสุขแต่ฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปฝึกตัวนี้ให้มากเลยให้ช่ำชองว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะจิตนจะตั้งมัน่นเด่นดวงขึ้นมาใจทั้งอะไรได้สติเวลาจิตเคลื่อนรู้ทันได้สติแล้วพอรู้ว่าเคลื่อนการเคลื่อนดับ ได้สมาธิเห็นไหมเรียนเราเรียนรวบยอดเลยแค่รู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วแล้วจะให้เกิดปัญญาตรงนี้เลยได้ไหมได้นะได้ไม่ใช่ไม่ได้ตรงที่เราเห็นจิตเคลื่อนมันเคลื่อนได้เองตรงที่เห็นจิตรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกได้เองจิตนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ทำงานได้เองจิตนี้เป็นอนัตตาโอ้ยนี่แหละยอดของปัญญานะเห็นจิตเป็นอนัตตาเลยไม่ใช่ธรรมดานะ เห็นอนิจจังก็ได้เช่นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนี่เห็นอนิจจัง mm. เพราั้นภาวนาไม่ใช่เพื่อให้จิตคงที่ไม่ใช่สุขคงที่สงบคงที่ตั้งมั่นคงที่นะแต่ภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันบังคับไม่ได้ตัวเนี้แหละคือการเจริญปัญญาที่แท้จริง mm. เพราะาน้นที่หลวงพ่อสอนบอกสิบห้นาทีให้พวกเราไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตเคื่อเรารู้จิตเคื่อเรารู้เนี่ย เราจะได้ธรรมะจํานวนมากเราจะได้ธรรมะจำนวนมากเลยจิตเคลื่อนไปถ้าไม่รู้ทันราค่าโทสะก็เกิดราค่าโทสะเกิดแล้วราค่าโทสะครอบงําใจได้ผิดศีลได้นะถ้ากิเลสครอบงําใจไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกถ้ากิเลสมันจะเกิดได้ก็ไม่รู้ทันตั้งแต่มันเคลื่อนอะถ้าจิตมันไหลเรารู้ไหลเรารู้กิเลสเกิดไม่ได้หรอกกิเลสหยาบหยาเกิดไม่ได้ไม่ผิดศีลนะศีลอัตโนมัติจะเกิด แลนะจิตที่เคลื่อนไปเราเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยจนสติเกิดเองเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคล terrace, ensible, ador, ื่อนปุ๊บรู้ปั๊บจิตมจะตั้งมั่นมันไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้รักษาสมาธิจะเกิดแหมสติก็ไม่ได้เจตนาให้เกิดศีลก็ไม่ได้จงใจให้เกิดมันเกิดเองสมาธิก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันเกิดเองเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นทำไมมันตั้งมั่นเพราะมันรู้ทานจิตที่เคลื่อน ส่วนปัญญาเราก็ดู เ, เราจะเห็นเลจิตที่รู้สึกตัวหรือจิตที่เคลื่อนเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นแค่นี้แหละแสนจะง่ายนะง่ายไหมมันยากบางคนมองไม่เห็นจิตเคลื่อนใครเห็นจิตที่เคลื่อนที่ได้บ้างยกมือให้หลวงพ่อดูสิยกสิข้างนอกได้ไหมเอางี้ดีกว่ากลับข้างใครไม่เห็นยกมือสิ คนจำนวนมากเห็นก็ไม่ใช่ไม่เห็นก็ไม่ใช่นี่มันลูกสิทธิ์พวกเดรัทธีนะเขาเรียกว่ามีวาทภาแบบปลาไหลคลิกไปคลิกมาไอ้นี้ก็ไม่ใช่ไอ้นี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่สังนหนงนะอันนั้นเป็นลูกสิทธิ์เดรัทธีแล้วนะลูกสิธิ์พระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนอันไหนถูกอันไหนผิดอะไรนี้ชัดเจนนะ ถ้าเราคนไหนนะเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนได้แล้วกรรมฐานของเราก็คือทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าบังคับให้มันอยู่นิ่งแค่นี้แหละศีลสมาธิปัญญาเกิดได้ทุกอันเลยนะถ้าตรงนี้ไม่เห็นก็ลดระดับลงไปทํายังไงจะเกิดสติเนี่ยจิตเคลื่อนมองไม่เห็นจิตแบบไหนดูง่ายจิตโกรธ ด, ดูง่ายนะจิตโลภเนี่ยดูยากปานกลางจิตหลงเนี่ยดูยากที่สุด หลวงพ่อสตาร์ทก็เอาถูกยากที่สุดเลยนะในฐานะที่พวกเราปฏิบัติมานานแล้วแต่คนไหนยังไม่เห็นจิตที่ไหลไปเนี่ยยังไม่เห็นโมหะก็อย่าเสียใจนะเราดูจิตที่เรามีจริงๆที่เราเห็นจริงๆคนไหนขี้โลบบ้างเจออะไรก็อยากได้ตลอดเลยนะเห็นเมียชาวบ้านก็ชอบน ะ, ะเห็นอะไรก็ชอบเห็นเงินของเขาก็ชอบใครขี้โลค บ, บ้างมีไหม อยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวสนุกสนานทางใจอยากทั้งวันเลยความอยากนะจะเกิดขึ้นตลอดเลยนะวันวันหนึ่งเนียนาทีหนึ่งก็เกิดหลายหนงั้นถ้าคนไหนที่โลภน่ดูโลภได้ก็ดูใจที่โลภใจที่มีความอยากเกิดขึ้นหัดดูไปเรื่อยถ้าตัวนี้ยังไม่เห็นยังมีตัวช่วยดูจิตโกรธจิตโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุดเพราะอยากที่สุด คนไหนขี้โมโหยกมือเซนี่เห็นไหมขี้โมโหเยอะกว่าขี้โลบแต่พวกไม่ออกเสียงเยอะที่สุดนะเพราะนี่ประเทศไทย <c oughs> เป็นกลางไว้ก่อนนะ <c oughs> คนไหนขี้โมโหก็ดูโมโหนะจิตโกรธก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ดูมันแค่เนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะดูคราฟิกสูตรทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะ ใครมีโทสะจิตมันมีโทสะใครรู้ว่ามีโทสะจิตเป็นคนรู้นะก็จะเห็นว่าโทสมันมีอยู่จิตเป็นคนรู้เนี่เพราะงั้นเวลาโทสามานะเราก็เห็นโทสามาจิตเป็นคนดูอยู่ถ้าเห็นโทสามันไปจิตก็ยังเป็นคนดูอยู่เราก็รู้ว่าโทสะกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆนะมันก็แยกขันเป็นเหมือนกันไม่ยากหรอกการแยกขันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราเห็นสภาวะได้สองอันเนียแยกขันแล้ว ไม่ต้องเห็นตั้งหาขันหรอกเอาสองขันก็พอแต่ในสองขันนะอันหนึ่งจะต้องเป็นตัวจิตหรือตัววิญญาณขันอีกอันหนึ่งนั้นเป็นตัวแสดงอันหนึ่งเป็นตัวดูแยกขันเนี่ยแยกได้อย่างน้อยต้องสองตัวตัวหนึ่งแสดงตัวหนึ่งดูตัวอะไรเป็นคนดูจิตเป็นคนดูหรือวิญญาณขันเนี่ยเป็นคนดูตัวจิตนี่อยู่ในวิญญาณขันนะใครเป็นผู้แสดงตัวรูป เป็นผู้แสดงรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าแสดงจิตเป็นคนดูรูปยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูรูปมันแสดงรูปมันกินอาหารรูปมันขับถ่ายจิตเป็นคนดูรูปมันอาบน้ำรูปมันแต่งตัวรูปมันหวีผมจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะเห็นว่ามีรูปอันนึงมีจิตอันหนึ่งโค้ราอนกันแค่นี้ก็พอแล้วไม่ถนัดดูรูปก็ดูเวทนาเราก็เห็นเวทนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้น จิตมีเวทนาจิตมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขใครรู้จิตเป็นคนรู้นะเพราะความสุขเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้ตรงที่มีร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้เรียกว่ากายานุปัสสนาเจริญกายานุปัสสนารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเวทนานุปัสสนาเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเรียกเวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนานะั้นเราเห็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเกิดดับไปเรื่อยๆจิตเป็นคนดูนะเรียกว่าจิตตานุปัสสนาส่วนธรรมานุปนะัสสนาะเห็นทั้งรูปธรรมเห็นทั้งนามธรรมาเกิดดับไปนะแล้ว ร, รู้เหตุรู้ผลด้วยไม่ใช่เห็นเกิดดับธรรมดาอย่างรู้ว่านิวรณ์แต่ละตัวเกิดได้ยังไงนิวรณ์ทำยังไงถึงจะไม่เกิดอะไรเนี้ยรู้นะรู้ว่าโพชฌงเกิดได้ยังไงนะรู้ว่ามารรคเกิดได้ยังไง มันจะเป็นเองรู้ว่าขันแต่ละขันมันทำงานยังไงจนะเห็นว่าขันมันเกิดขึ้นได้ยังไงขันมันทำงานยังไงนะมันบังคับได้ไม่ไดนะ้หรือเห็นอริยสัจอันนี้อยู่ในธรรมานุปัสนาเป็นของยากนะพวกเราฝึกเอาของง่ายๆถนัดรู้กายก็เดินกา ย, ยานุปัสสนาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนะี่ยเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรา ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกก็เห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราฝึกอย่างนี้ไปด้วยแนะ่สุดท้ายก็เห็นอากายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวมันก็หลงไปเดี๋ยวมันก็เป็นผู้เพ่งสารพัดจะเป็นนะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงใ น, ในกายในจิตอย่างนี้เรียกว่าเราจเจริญปัญญานะด้วยการทําสติปัฏฐานไม่ใช่แค่ให้มีสติแล้วนะนี่ให้เห็นปัญญาละ ให้เห็นใจรักก็คือเจริญปัญญาละดูเวทนานุปัสสนาให้ให้เกิดสติทําไงเวทนานุปัสสนาให้เกิดสติเช่นมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้มีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้รู้บ่อยๆต่อไปพอความสุขเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้นี่เรียกว่าทําให้เกิดสติมีความทุกข์เรารู้ความทุกข์เกิดขึ้นบ่อยๆความทุกข์หายไปบ่อยๆต่อไปพอความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้โดยไม่เจตนาจะรู้นี่เรียกว่ามีสติ ตรงที่จะทำให้เกิดปัญญาเนะเราเห็นเวทนานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตมันไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นไปรู้เวทนาเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาเวทนาเป็นของสั่งไม่ได้น่จะเห็นอย่างนี้จิตที่ไปรู้เวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้บางทีมันก็รู้บางทีมันก็ไม่รู้เพราะั้นเวลาที่เราเจริญปัญญาเนี่ยนะเราไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูเวทนาไม่ได้ดูกุศลอกุศลแค่นั้นนะ มันต้องมีจิตเป็นคนดูแล้วเราก็เห็นในทั้งสองฝั่งทั้งผู้ดูและทั้งสิ่งที่ถูกดูเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้เราถึงจะเรียกว่าจเจริญปัญญาเป็นอย่างบางคนไปเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราเนี่ยขยับตัวเนี้ยร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตเป็นเที่ยงจิตตัวรู้เนี่ยไม่ดีเลยจิตตัวรู้เนี่ยเที่ยงคงที่นิ่งทั้งวันเลยนียอย่างเนี้ยมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตมันจะเป็นเรา มันจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยไม่ใช่เรานะไม่เที่ยงแต่จิตนี้เที่ยงตัวรู้นี้เที่ยงมันจะมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะฉนั้นเวลาเห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็นคู่คู่นะผู้รู้ก็คือตัวจิตสิ่งที่ถูกรู้อาจจะเป็นตัวกายตัวเวทนาหรือตัวกุศลอกุศลก็ได้นะมันจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่กําลังแสดงอยู่นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จิตที่เป็นคนดูนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่าไปรักษาให้มันนิ่งทื่อๆอยู่นะรักษาให้มันนิ่งทื่อๆอยู่ไม่เดินมีศันสนาจริงหรอกมันเห็นทุกสิ่งเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตนั้นมันเที่ยงอย่างนี้ไม่ได้นะงั้นเราค่อยๆฝึกนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะฟังครั้งเดียวเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกมันเยอะเนื้อหาสาระเยอะมากแต่หลวงพ่อใช้วิธีมีซีดีแจกนะ มี YouTube ให้ดูไปดูแล้วดูอีกนะพยายามดู YouTube แต่ดูที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ไปดูหนังดูละคร อ, อย่างเดียวนะแล้วบอกมารายงานหลวงพ่อนะสั่งพวกเราไปดู y youtube ไนดะ้อีกสองเดือนมาเจอกันมาส่งกันบ้านหหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยหลวงพ่อฟังแล้วคงเออสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมเ <laughs> นี่ยเขาช่วยกันทำนะมีทีมช่วยกันทำ บางพวกก็บันทึกเสียงบางพวกก็ตัดต่อเสียงเสียงอู้อี้ไม่ชัดก็ตัดออกอะไรเงี้ยเสียงตรงนี้เบาไฟก็เร่งขึ้นอะไรนี้ทำลำบากนะทำยากคนก็ถ่ายวีดีโอบางคนก็ไปทําเว็บเนี่ยตอนนี้มีมูลนิทีคุณธนามูลนิทีนี่เริ่มมาจากทำหนังสือนิดเดียวนะทำจากซีลอกหนังสือนิดเดียวอยเองอะเราก็ทําได้เงินมาก็ไปทำหนังสือได้เงินมาก็ทำหนังสือ ทุวันนี้มีเงินหมุนเวียนพอทำหนังสือแจกแจกไปหลายล้านแล้วนะซีดีก็แจกไปเป็นล้านแผ่นแล้วมั้งวันก่อนใครบอกว่ามีเป็นล้านเลยมีเป็นล้านเนี่ยอยู่ตามที่งต่างๆมากมาย <c oughs> ไปอยู่หลังควายหลังช้างบ้างก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไปฟังบ้างนะมาฟังแล้วก็เนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราถ้าเราพัฒนานะ กุศลใดที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดกุศนละที่เกิดแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเช่นมีศีลดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นมีปัญญาแยกรูปนามได้ชำนาญขึ้นอากุศนละเคยแรงเคยมีความเข้มแข็งมากอากุศนละก็เริ่มอ่อนแรงลงเคยโกรธตั้งสาวันก็โกรธสั้นๆนะเคยโกรธหนักๆแบบเลือดขึ้นหน้าเลยโกรธฟรีดเลยเส้นเลือดในสมองแตก สัตูไม่ตายตายเองนะอย่างนี้ก็มีนะั่งโกรธมากไปนะนี่เราโกรธก็โกรดนิดนิดหน่อยหน่อยโนะกรธพอให้รู้ว่ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยดีนะอย่างนั้นอย่างดีบางคนนะภาวนาผิดนะใจว่างๆเลยบอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วหัว อ, อาการหนักอาการหนักตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อ มาถึงก็นั่งใจลอยหลวงพ่อบอกเฮ้ยอย่าใจลอยสะบัดหน้าใส่หลวงพ่อดิฉันไม่เคยใจลอยเลยนะโอ้โหเราเห็นแล้วสยองมากเลยนะเราเห็นแล้วน่ากลัวมากเลยเธอบอกเธอไม่เคยใจลอยเลยนะทาไมเธอพูดอย่างนั้นเธอโกหกไหมไม่โกหกแต่เธอไม่เคยมีสติเลยต่างหางเธ อ, อก็เลยไม่รู้ว่าใจลอยเป็นยังไงนะ เากำลังสอนให้ดูสภาวะว่าหลงไปแล้วนะใจลอยแล้วนะเป็นอย่างนี้หัดดูสภาวะไปแกก็บอกว่าแกไม่เคยใจลอยนะถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นสภาวะถ้าไม่เห็นสภาวะสติไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเรามากๆเลยนะสอนให้หัดรู้จักสภาวะรูปธรรมแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้นามาทำแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้หัดรู้สภาวะน่ะนำมาทำเช่นความสุขความทุกข์เป็นอย่างนี้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันความสุขก็อย่างหนึ่งความทุกข์ก็อย่างหนึ่ง อุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็อย่างหนึง่งไม่เหมือนกันใชสอนให้พวกเรารู้จักสภาวะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลแต่ไม่ได้สอนสภาวะทั้งหมดนะสภาวะทั้งหมดไม่จําเป็นเรารู้สภาวะเท่าที่เรามีเท่าที่เราเห็นนะบางสภาวะเนี่ยดูยากอย่างรูปแห่งความเป็นผู้หญิงรูปแห่งความเป็นผู้ชายนะดูยังไงอันนั้นมันอยู่ในยีน อยู่ในยีนเลยดูไม่ไดนะ้ดูไม่ได้จริงอะ่ะมันยากเกินนะเราก็มาดูของที่เรามีจริงๆนะเราก็ดูของจริงที่เรามีอย่างความโกรธเงี้ยเรามีจริงใช่ไหมอย่าหลวงพ่อจะไปสอนพวกเราว่าเอานะ้าทุกคนเข้าพระสมาบัติก่อนนะแล้วก็ทรงอยู่ในพระนิพพานชั่วครู่ถอยออกมาไม่สอนหรอกเพราะสอนแล้วเราทำไม่ได้เห็นัหม ไม่มีประโยชน์เราเอาจากของที่เรามีจริงๆคนไหนหขี้โมโหก็ดูจิตโมโหไปจิตเป็นคนดูคนไหนขี้โลภก็ดูจิตโลภไปจิตเป็นคนดูแต่ท่านแน่จริงนะรู้จิตหลงจิตไหลไปถ้ารู้ตัวนี้ได้นะั้นรวบยอดเลยรวบยอดเลยเพราะว่าจิตจะรอบจิตจะโกรธได้ต้องไหลไปก่อนต้องหลงไปก่อนถ้าไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่โลภไม่โกรธหรอกนะนั้นเรารู้ตัวนี้ได้แล้โอ้ยคล้ายจับศูนย์กลาง ของมันได้เลยปฏิวัติก็คือจับเอาหัวหน้ารัฐบาลได้เลยไม่ใช่จับเสมียนหน้าห้องรัฐมนตรีเลยคนหนึ่งมานะอย่างนันสู้กิเลสกับท้ายแถวมากไม่ชนะหรอกถ้าอยากชนะนะ้าใจกล้าๆหน่อยจับก็จับหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรไม่อยู่ที่อื่นเราอยู่ในใจเรานี่แหละมันพาเราหลงหัวหน้าโจรคือตัวโมหะแต่หัวหน้าโจรเนี่ยมีทีมนะ หัวหน้าใหญ่ที่สุดเลยชื่ออวิชชาเป็นประมุขของกิเลสนะทีมงานของมันนะก็คือโมหะชนิดต่างๆลูกหลานของมันก็คือราคะโทสะนะเป็นลําดับลําดับมาถ้าจับหัวโจกได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนได้ก็สบายแล้วนะไม่ใช่ไม่ให้เคลื่อนเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ฝึกอย่างนี้นะไปทําเอาวันนี้เทศดูเดือดไปเปล่ายากไปไหม ถามจริงๆใครไม่รู้เรื่องยกมือให้หลวงพ่อดูใครไม่รู้เรื่องมีหนึ่งคนใครฟังซีดีไหมฟังแล้วนะฟังมานานเท่าไหร่นานมากเหรอโอ้ยอย่างนี้ต้องเรียนพิเศษอย่าไปคิดนะบางคนอะฟังเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ภาวนานไม่ได้แต่มีน้อยนะมีน้อยมากเลยมันมีสองจำพวก ที่ฟังที่หลวงพ่อเทศแล้วก็ภาวนาไม่ขึ้นสัทิทพวกที่หนึ่งคือพวกคิดไม่เลิกฟังแล้วก็คิดไปเรื่อยแทนที่จะหัดรู้สภาวะเคล็ดลับในคําสอนของหลวงพ่อนะคือหัดรู้สภาวะนะเบื้องต้นนะ่ะเพราะเรามีสภาวะอะไรหัดรู้อันนั้นนะ่ะคนไหนขี้โกรธก็เห็นความโกรธจําความโกรธได้แม่นพอความโกรธเกิดบ่อยบอยเห็นบ่อยๆสติเกิดเองพอสติเกิดได้ความโกรธเกิดขึ้นมาสติรู้ความโกรธจะดับศีลจะเกิดนะ รู้บ่อยๆใจก็ค่อยส ง, สงบเข้าสงบเข้าสมาธิก็เกิดต่อไปปัญญาก็เกิดไม่เห็นความโกรธก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่งเห็นความโกรธก็เป็นใจรักจิตก็เป็นใจรักษณ์เนี่ยไม่ไม่ได้ยากอะไรงั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่หักรู้สภาวะนี่บางคนไม่ยอมรู้สภาวะคิดว่าจะทําความเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยด้วยการฟังอย่างเป็นระบบนะแล้วสรุปเอาด้วยการคิดธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้ไม่ได้ด้วยการคิด ธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้ได้ด้วยการเข้าไปเห็นสภาวะสภาวะของรูปธรรมนามธรรมนั้นแสดงธรรมะให้เราดูคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยยังบอกได้วิธีเท่านั้นหละท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางให้นะพวกเราต้องเดินด้วยตัวเองท่านบอกทางอะไรทางแห่งการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละทายังไงให้มีสติทํางไงให้มีปัญญาเราก็ต้องไปหัดรู้สภาวะหัดรู้รูปรู้นามนะ รู้รูปรู้นามไปทีแรกพอรูปเกิดเรารู้ทันนามเกิดเรารู้ทันรูปหายไปก็รู้นามหายไปก็รู้รู้อย่างเนี้ยเรามีสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจต่อไปก็มีปัญญาเห็นในรูปเนี้ยไม่ใช่เรานามนี้ไม่ใช่เราอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาอย่งนั้นธรรมะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดโกรธเป็นไหมโกรธเป็นโกรธเก่งไหม ไม่เก่งแล้วตัวไหนเป็นบ่อยโลภไหมโลภอ้าโลภพอมีโกรธก็พอมีนะเออเริ่มจากของที่พอมีนี่แหละต่อไปนี้โกรธขึ้นมารู้ทันว่ากำลังโกรธโลภขึ้มารู้ทันว่ากำลังโลภต้องเล่นอย่างนี้นะหัดรู้สภาวะไปแล้วไม่นานหรอกก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนมีคนอีกจำพวกหนึ่งที่ไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนนั่นคือพวกติดสมาธิจิตสงบ บอกให้รู้รูปรู้นามรู้รูปรู้นามสิมันนิ่งอยู่อย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติอ่ะบางคนมันนิ่งน่ากลัวนะเนี่ยมันร้างจิตเข้ามานะมันจะดุมากเลยดหน่ากลัวบางคนก็ทาจิตละท้อละทวยคิดว่าสงบก็ะอ่อนละทวยเหมือนกันเนี่ยนะไอ้นั่นเรียกสลบนะอ่ามาี่อย่างนั้นอย่าไปเอา นี่พวกที่ติดสมาธินี่แหละเรียนกรรมฐานยากเรียนวิปัสสนายากมันศัตรูกันมันเป็นมิจฉาสมาธินะแต่พวกคิดมากพวกนี้ก็ไม่จะได้เรียนวิปัสสนาเพราะไม่ดูสภาวะเอาแต่คิดเอาบอกให้ดูความโกรธสิเวลาโกรธขึ้นมาให้รู้ไปเลยจะรู้ได้ยังไงอ่ะไม่ใช่เทวดานี่จะได้รู้หลพ่อเคยนะสอนมันหย่งเนี้มันบอกไม่ใช่เทวดานี่จะได้รู้ว่าโกรธแล้วก็บอกเฮ้ย เทวดาบางทีก็ไม่รู้นะถ้าเทวดาไม่เคยเจริญสติปัฏฐานโกรธก็ไม่รู้เหมือนกันแหละมันพูดอะไรมั่วๆตอนหวงพ่อบวชใหม่ๆนะตอนสอนแรกๆเนี่ยสอนบวชสอนกว่ายจริงๆประเภทบวชกระถิงนะสอนอย่างนี้มันแหวงอย่างนี้สอนอย่างนี้มันแหวงเนี่ยมาถึงวันนี้ไม่ค่อยมีละพวกนั้นสูญพันธไปหมดละเหลือแต่พวกเราเนี่ยค่อยฝึกค่อยฝึกไปนะตั้ง อ, อกตั้งใจนะพวกเราเป็นคนส่วนน้อย เพวะเราเป็นคนส่วนน้อยน้อยอย่างยิ่งเลยคนที่ชื่อว่านับถือศาสน า, าพุทธในโลกนี้มีไม่มากหรอกนะตกไปอยู่อันดับที่สามอันดับที่สี่แล้ว น, ะน้อยแล้วเป็นพุทธแบบเถรวาดที่ตรงตามคำสอนสมัยพุทธกาลรักษาไว้เนะียยิ่งน้อยหนักกว่าพุทธมหายานสิพุทธมหายานมีเยอะกว่าอย่างหลวงพ่อไปเทศที่อเมริกาหรือที่ยุโรปนะฝรั่งมันเห็นหลวงพ่อ เหมือนก็โอ้ดาลายลามะบอกไม่ใช่ซะหน่อยมันเห็นพระนะมันเรียกดาลายลามะหมดเลยนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าดาลายลามะเขาเก่งจริงใช่ไหมพูทธมหายาณนะเขาเผยแผ่ได้พูดอย่างเราเขาไม่รู้จักอ่ะงั้นพุทธแท้ๆที่เที่ยงตรงสืบทอดคําสอนพุทธเจ้ามาจริงๆนะยิ่งน้อยหนักเข้าไปใหญ่มีมากๆก็ เ, เมืองไทยเมืองเมืองพมา่าเมืองลังกาอะไรนะ เขมรลาวเนี่คนคยค่อยๆฟื้นขึ้นมานะพุทธในเมืองไทยเราดูสิมีจริงหรือเปล่านะคนเราไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคนไทยคนไทยนับถือผลประโยชนนะ์ถ้าอะไรที่ให้ผลประโยชน์เราเราเอาถ้าพระพุทธเจ้าให้ผลประโยชน์เราก็เอาเช่นไปหาเสียงในวัดได้แล้วก็เอาอย่างนี้เอานะถ้าขัดผลประโยชน์เมื่อไหร่ไม่เอาเลยต่อต้านเลยมันชาวพุทธแท้ๆในบ้านในเมืองเราเนี่ยมีน้อย มีน้อยพุทธส่วนหนึ่งพุทธตามประเพณีอีกนะพวกหนึง่งพุทธลมๆแรงๆไม่รู้หรอกว่าพระเท่เจ้าสอนอะไรวันๆคิดแต่ว่าพระองค์ไหนจะให้หวยเก่งนะจะไปมุดใต้ถุนโบสไหนเราจะขลังจะเหงชีวิตจะสะดาะเคราะห์อะไรเนี้ยวันะบนัดดิคิดอย่างนี้นะจะไปนอนลงศพวัดไหนดนะีที่จริงต่อไปก็ได้นอนไม่ต้องรีบนอนหรอกนะหรือจะนอนเสือนะ เนี่ยอย่างนี้ก็บอกว่าพุดเหมือนกันใช่มัน้นพุดจริงๆนะที่จะรู้เรื่องของอริยสัจเรื่องสติปัฏฐานเรื่องไต ร, รักเรื่องขันห้ารูปนามอนะไรนี้มีไม่มากหรอกนะมีน้อยเต็มทีเลยทุกวันนี้ก็มีแต่เรื่องข่าวไม่ดีใช่ไหมคนซึ่งไม่ใช่พูดอยู่แล้วเนี่ยพอได้ข่าวพระทำไม่ดีนะยิ่งไม่นับถือใหญ่นะตอนนี้เกิดกระบวนการไม่ใส่บาต ไม่ใส่บาทเพราะไม่ชอบพระวัดหนึ่งพ้าอีกทั้งประเทศอดข้าวทำไงดีต้องไปสู่พวกวัดที่ร่ำรวยเพื่อจะได้มีข้าวกินยิ่งไปกันใหญ่น ะ, นะบางทีเราไปต่อต้านพระต่อต้านมัวมัวยิ่งผลักพระไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะต้องระวังนะพระมาพระออกมาระดมคนไปฆ่ามุสลิม นี่คือความเสื่อมอ่ากร้ายแรงอีกแบบหนึ่งนะของเราเนี่ยเอาผลประโยชน์นะสแสวงหาผลประโยชน์กนันชาวพุทธทั้งหลมุ่งผลประโยชน์ไม่ได้รักพระพุทธเจ้าที่พมา ร, รักมากเลยใครเป็นศัตรูข้ามเลยนะนะมีนักรบของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนะนี่ศาสนาพุทธจะหมดแล้วนะนะรอดได้มากแล้วนะเพราะงั้นศึกษาไว้ปฏิบัติไว้ ต่อไปพวกเราเนี่ยหละเราอาจจะได้เกียรติประวัตินะได้เป็นชาวพุทธคนสุดท้ายของโลกแต่หลวงพ่อหวังนะว่าอย่างน้อยเราถ่ายทอดออกไปให้ได้อีกสักรุ่นหนึ่งก็ยังดีแล้วนะตั้งใจศึกษาปฏิบัติเข้าจนเรารู้เรารู้เนี่ยว่ามันวิเศษขนาดไหนคำสอนของพระเจ้าดีจริงขนาดไหนทำคนที่กิเลธหนาปัญญาหยาบอย่างพวกเราให้พ้นทุกข์ขึ้นมาได้ทุกน้อยลงได้ เห็นแก่ตัวลดลงได้นะมีศีลมีธรรมขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะอย่างพยายามสอนให้คนมีศีลธรรมทำยังไงมันยัไม่มีมันยั ง, งก็ไม่มนะีถ้ามันรู้วิธีของพระเจ้านะมันรู้ทันจิตใจตัวเองศีลธรรมมันก็มาเนะี่ยเราเป็นคนส่วนน้อยนะเพราะฉนั้นตั้งสาศึกษาเข้าหลวงพ่อนาะตะเวนเทศจนเสียงแหบเสียงแห้งบางวันเสียงไม่มีออกมาถามก็สอนสอนสอ น, สอนไปด้วย แต่เดี๋ยวนี้บางทีก็ดูนะบางทีก็ไม่สอนเหมือนกันสอนได้ก็สอนสอนไม่ไหวก็ถอยเหมือนกันบอกไปฝั่งซนะีดีเอาแล้วเวลาส่งกันบ้านนะสังเกตให้ดีเถอะถ้าคนไหนหลวงพ่อโอนะแสดงว่าอินทรอยังอ่อนนะถ้าคนไหนโดนโขกแรงๆเนี่ยแสดงว่าแข็งแนละ้วชักจะเก่งเดี๋ยวจะรู้ละ กับมนมาสการ์ทอาจารย์ครับผมส่งกันบ้านครั้งที่แล้วเมื่อสามปีที่แล้วนะครับปัจจุบันย่อปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจําวันแล้วก็สื่อสินห่านะครับถานาเสมอเข้าใจว่าตัวเองได้เห็นสภาวะจิตแบบได้หลากหลายเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับขึ้นมานะครับทีนี้อยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อเพิ่มเติมครับพระจะควรจะทําไหนต่อไปคิดคว่าได้โสดายัางยังไม่ได้อะไรเลยเออเ อ, อ, อย่างนี้ไม่อาการไม่หนักครับอย่างนี้ดีนะ ารู้ไปจิตขณะนี้มีกําลังไหมก็มีบ้างเพราะว่าพยายามจะทําแบบที่หลวงพ่อเคยสอนว่าเวลาหลับตาแล้วก็มองไปที่ช่องว่างตอนที่หลวงพ่อเล่าไห้ฟังนะพยายามจะทําลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วรู้สึกว่าได้มองเห็นสภาวะการหลาของจิตได้ดีขึ้นนะจิตถึงฐานไหมตอนนี้ปัจจุบันไม่ถึงตอนนี้จังนี้ไ ม, ไม่ถึงนะถ้าไม่ถึงให้ใช้ได้วันนี้แรงยังไม่พอเพราะว่าตื่นมาเร็ว มันะยังงวงเงยานีหน่อยดูออกไหมรู้สึกไหมว่าไม่ค่อยมีแรงหรือตอนนี้แรงรเยอะแล้วไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะครัแบไบมแบบ่ไม่ไมเห็นสภาวะก็ไม่ชัดหลง<ช>ไปไบ่อยมากครับถูกต้องแล้วอย่างนี้ใช้ได้นะไปทำต่อนี่หลวงพ่อตรวจการบ้านบางคนงงตรวจอะไรหลวงพ่อเช็คว่าเห็นสภาวะถูกต้องหรือเปล่า เห็นสภาวะถูกแนละ้วเห็นสภาวามะมแสดงใจรักได้มัน mm hmm. ก็จบแล้วแหะการปฏิบัตินะการปฏิบัติก็มีแค่นั้นนะเดี๋ยวผมมีคําถามอีกก้อนหึงครับ mm hmm. เวลาจิตเห็นใจรักเนี่ยนะครับจิตต้องอยู่ในปฐมฌานหรืออะไรไม่ไม่ไมก็ได้อยู่ตรงในคณิกะสมาธิก็ได้นะไม่จำเป็นนะคนซึ่งไปเจริญปัญญาในฌานมีน้อยนะมีน้อยต้องชํานาญในฌานแล้วต้องชํานาญในการดูจิต ต้องได้สองอย่างนี้นะถึงจะไดเจริญมีปรั ส, สนาในฌานได้ <Okay. S 2> อย่างถ้าเราเห็น mm hmm. รู้สึกเป็นขณนะขณะนี้ยเราใช้แค่คณิกาสมาธิพระอราหันต์ส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้นะไม่ใช่ทรงฌานมา ก, ก่อนหรอก mm hmm. ครั บ, รบนรมัสการครับกราบนรมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเะคือว่าเวลาเห็นความโกรธนะคะ่ะตอนโกรธก็เห็นนะคะแล้วก็เห็นจิตที่ไปรอดูอะคะ่ะ ไม่มันไม่ยังยังไม่เห็นตอนดับอะค่ะเหมือนรอดูว่าเมื่อไหร่จะหายโกรธเดีเ๋ยวเราจะได้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้อค่ะให้รู้เอานะจะไปรอดูอยู่ไปเฝ้ามัน ม, มันเป็นของมันเองถ้ามันเป็นเองก็ให้รู้ว่ากําลังไปรออยู่ให้รู้ทันห้ามมันไม่ได้เนี่ยแล้วบางทีพอเห็นคนที่โกรธเงี้ยพอเมตตาขึ้นมาเงี้ยแล้วก็เห็นจิต ท, ที่แบบเไม่ชอบไม่ยังยังไม่อยากเมตตาอะไรก็อย่างนี้ก็มีอะค่ะเออเมตตาไม่จริงหรอกงั้น ค่ะแต่มันขึ้นมาเองนะคะใช่ได้มันมันขึ้นมาเองแต่ว่าเห็นจิตที่แบบว่าเออยังไม่ชอบยังไม่ชอบให้ตายอยู่ถูกภาวนาถูกแล้วค่ะต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะดูบ่อยๆค่ะใจมันยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่หน่อยหนึ่งนะค่ะงั้นมีรูปแบบไว้นะทําอะไรใช่อะไรเป็นจงกลมค่ะนะเราอยู่ในชีวิตประจํำวันเนี่ยใช้อะไรตอนที่ไม่ได้เดินใช้อะไรก็พยายามที่ที่บอกว่าเห็นความโกรธแล้วก็เห็นจิตที่รอดูอค่ะอืม ่ไมเห็นดคือ <ปะ S 1> การปฏิบัติเนี่ยนะบอกว่าใช้อะไรเป็นวิหารธรรมบอกใช้การเดินจงกรมเป็นวิหารธรรมอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรเราไม่ได้เดินตลอดเวลาท่านใช้อิริยาบดสี่เป็นวิหารธรรมนะใ ช, <ม>ใช้ใช้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนในเนี้ยค่ะถ้าเราทําเฉพาะตอนตอนเดินตอนเื่นไม่ทําอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามานั่งแล้วเราเห็นจิตทํางานก็ใช้ได้ค่ะค่ะกน็น่าจะทํารูปแบบเพิ่มนะคะ จิตยังฟุ้งอยู่มากจิตฟุ้งอ่ะจิต<ะ>ฟุ้งสั้นนะเพ<ะ><ะ>ราะงั้นทําความสงบเข้ามาบ้างค่ ะ, นะะพุทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้พยายามจะนั่งสมาธินั่งสมาธิก็เหมือนจะสงบกว่า เ, เดินจงกรมมันมันชี้โมโหนะ<ะ>มันจะทําสมาธิยากนิดหนึ่งสวดมนต์ไปก็ได้นะหรือเจริญเมตตาไปก็ได้เมตตาคุณังอาราเมตตาก็อย่างที่บอกว่าเมตตาขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ชอบอีกเรื่องนี้มันโมโหไปทุกเรื่องอ่ะเอาสักอย่างนะ ฝึกให้ได้สมาธิมากกว่านี้หน่อยการเห็นสภาวานะเห็นได้ช่ำชองแล้วใช้ได้สภาวะอะไรเกิดนี้รู้ได้ชัดดีแต่ตัวสมาธนะิยังอ่อนไปหน่อยหนึ่งแต่ยังฟุ้งซ่านไปก่าค่ะพ่อคุณค่ะกลาบนมรดการค่ะวันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบเกือบปีค่ะก่อนอื่นขอกล่าบหลวงพ่อนะคะแล้วก็ ขอกราบขมาต่อพระรัตนตรัยแล้วก็หลวงพ่อนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยหากมีสิ่งใดที่ประมาทพลาดพางขอกราบขอขมานะคะหลวงพ่อรับทราบค่ะก็เตื่นเต้นไงแต่เห็นความตื่นเต้นของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามกดกดความตื่นเต้นของตัวเองมันก็มันก็เริ่มหายไปเห็นเห็นมันหายไปก็หายไป พอหายไปเสร็จเง่อออกที่มือมก็มาเห็นสภาวะที่ร่างกาย<ม>ปกติที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเห็นชัดๆก็คื อ, อความตื่นเต้นหรือว่าความตกใจจะเห็นมันวิ่งเข้ามาที่กลางอกแล้วก็พุ่งมาที่ที่จิต<ม>แล้วก็สักพักก็จะดับ<ม>ก็จะมีสติว่าเออเห็นละมันเกิดดับ<ม>บางครั้งบางครั้งเวลาทํางานไหลไปกับ ง, งานเสร็จก็เราไหลไปแล้วนะก็กลับมาเมตตาคุณนาง阿拉หังเมตตา อ่ารู้นิดนึงเอาไหลไปอีกแล้วคื อ, ค, อคือมันจะได้อย่างเราแวบแวบแวบอะค่ะแต่ว่าเวลาปฏิบัติงานอะไรทํางานนะคะส่วนใหญ่จะไหลเวลาทํางาน<ะ>ที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาภาวนาหรอกทำไม่ได้หรอกะนะแต่สติจะเกิดดีตอนเวลาขับรถอะคะ่ะเพราะว่าจะฟังซีดีหลวงพ่ อ, อด้วยสติเกิดนะใช้ได้นะอย่าให้จิตรวมกันแล้วกัน<ะ>บางคนไปดูๆนะจิตรวมปุ๊บเลยเห็นไฟแดงแล้วไม่ไม่แปลไม่แปลความหมายนะค่ะ งั้นเวลาขับรถเนี่ยสติมากหน่อยจะพยายามไม่ไม่ให้จิตรวมเอย่าให้จิตรวมไปค่ะที่ปฏิบัติมานี่เป็นยังไงบ้างคะเขาฝึกเอานะแล้วก็รู้ทันกิเลสกิเลสตัวไหนยังแรงอยู่เขรู้เอาค่ะดูออกไหมตัวไหนค่ะเวลาโกรธค่ะนั่นแหละค่ะเวลาโกรธเนี่ยจะรู้เลยว่าโกรธแล้วความโกรธก็จะค่อยค่ดับเมื่อก่อนนี้จะโกรธแบบนานมากขั้นเลยนะไม่เข้าขั้นอาฆาต แต่เดี๋ยวนี้ก็จะแบบว่าพอโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วก็บอกว่าเออโกรธไปทําไมอะไร อ, อย่างเงี้ยค่ะก็แบบมันก็จะดับไปเองอค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับมัน <ไป S 1> ค่ะไปดูอย่างนั้นดูอย่างเป็นกลางน ะ, ะก็ตั้งใจไวะคะ้ค่ะว่าจะปฏิบัติตลอดชีวิตนี้พ่อสาธุชอบมากเลยแล้วก็ตั้งใจไว้นะคะจะมากราบถวายการปฏิบัตินะคะเป็นพุทธบูชากับพระรัตนตรยัยกับหลวงพ่อนะคะ การหลวงพ่อประโมทประโมทโชแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่นะคะขอถวายเป็นพุทธบูชานะคะ<ช>าอ า, าริยะบูชาค่ะสาธุสาธุขอบพระคุณนวัสการหลวงพ่อนะครับผมปฏิบัติอาณาปณสติอะครับแล้วก็จเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ธรรมศักพักแล้วครับหลวงพ่อครับอยากจะขอแนวทางหลวงพ่อครับว่าใช้อานาเลยอาณ า, า, นาปนสติครับหายใจเห็นร่างกายหายใจไหมหรือว่าไปดูลมหายใจ บางครั้งก็เห็นร่างกายหายใจบางครั้ง ก, บงงก็บางครั้งก็กลายเป็นสมถะไปครับหลวงพ่อลองทำให้หลวงพ่อดูซิลองทำอานาปนานสติที่เคยทำอย่าไปบังคับจิตนะอย่าน้อมจิตใช้จิตธรรมดาเนี่ยจิตที่สบายสบารู้ได้รู้ตัวสบายสบายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าได้จิตที่สบายสบายนะแล้วถ้าจิตหนีไปก็รู้อย่างเมื่อกี้จิตอยากพูดความอยากพูดนผุดขึ้นมา เราก็รู้เอา น, นั้นหายใจไปแล้วก็รู้ทางจิตไปเรื่างนี้เราก็ดีครับหลวงพ่อครับแล้วความกลัวครับมันเป็นโมหะชนิดหนึ่งใช่ไหมครับอะไรนะความกลัวครับความกลัวเป็นโทสะเป็นโทสะเหรอครับอ่อเาเป็นรู้สึกว่าเวลากลัวเวลากลัวเนี่ยมันไม่ไม่สดชื่นรู้สึกไหมจิตใจไม่สดชื่นเมื่อไหร่จิตใจไม่สดชื่ น, รนเรียกว่ามีโทมนัตเวทนา โทมนัตเมธนาเนี่ยเกิดกับตระกูลโทสะเท่านั้นนะแต่ว่าอยู่ๆจะกลัวเองไม่ได้หรอกก็ต้องมีโมหะด้วยนะทุกครั้งที่ผมกลัวครับผมพ่อมันมันจะลงไปรวมกับกลัวแล้วมันจะแยกไม่ออกเลยครับ อ, อ๋อมันกลัวแรงคือความรู้สึกอะความรู้สึกกลัวนะครอบงําจิตอย่างบางคนถ้าโกรธขึ้นมาความรู้สึกโกรธครอบงําจิตไม่แยกหรอกนะ มั้นถ้าความรู้สึกกลัวรุนแรงมันก็ครอบงาจิตเราก็าหัดดูกายดูใจเรื่อยๆไปมันค่คอยๆอ่อนกําลังลงเรากลัวเพราะว่าเรารักในกายในใจนี้มากนะนี่พอเราดูกายดูใจเห็นความจริงของกายของใจมากเข้ามากเข้าวความรักมันลดลงความกลัวมันก็จะลดลงเมื่อเราเห็นความจริงของมันแนละ้วหลวงพ่อมีอรายชี่อไหเพิ่มเติมไหมครับอย่าไปดูเดือดกับการปฏิบัตินั่งนะอย่าไปรุนแรงกับการปฏิบัติ รื่อแรกกับจิตตนเองไปเอ็นดูมันบ้างกราบนมันสการโยมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแต่ได้ฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ครั้งหนึ่งค่ะรู้สึกว่ามีหลวงพ่อสอนสภาวะเกี่ยวกับการเจริญบัณฑการรมฐานที่พอจะเข้าใจได้เพราะว่าโยมปฏิบัติมาก็พอสมควรแต่ได้ทิ้งทำมาประมาณเกือบสิบปี ต่นี้พอมาระยะหลังเนี่ยรู้สึกบางครั้งเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันมีบางครั้งเนี่ยจิตจะนิ่งๆเหมือนกับเป็นวิเวกอะค่ะจิตตวิเวกลักษณะนั้นทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยเราจะเจริญนิพนากรรมาานตรงจุดนี้ต่อได้อย่างไรอันนี้ข้อหนึ่งนะคะอ้าวตอบทีละข้อนะอค่ะาถามหลายข้อหลวงพ่อจำได้แต่ข้อสุดท้าย <laughs> เวลาจิตมันนิ่งลงไปน ะ, ะเรารู้ว่านิ่งไปให้มันพักผ่อนอนะเนี่าพอมันเคลื่อนออกจากการนิ่งเนี่ยเราก็มีสติรู้ร่างกายเห็นว่ากายกับใจเนี่ยโค่นล้านกันนะัวอย่างนี้หรือถ้ามันมีความรู้สึกอะไรเด่นชัดก็เห็นว่าความรู้สึกมันเกิดแล้คือตอนที่ช่วงจิตนิ่งนี่เราอย่าเพิ่งกําหนดอะไรเพียงแต่ให้เขาพักผ่อนก่อนให้เขาพักไปน ะ, ะแต่ถ้ามันนิ่งตลอดชาติอย่างเนี้ยอันนี้ต้องไม่เอา นะจงใจย้อนกลับมาดูร่างกายเลยค่ ะ, <น>ะแล้วก็ข้อที่สองคำว่าจิตที่แฝงในอารมณ์นี่คืออะไรอะไรนะจิตที่แฝงในอารมณ์เอเป็นยังไงไม่เคยได้ยินหรืออารมณ์ที่แฝงในจิตทานองอนี้ค่ะอารมณ์มันเข้ามาครอบงําจิตพูดยังไงเดียเหมือนจะแก้ยังไงคะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้คําว่าแก้เนี่ยไม่มีในวิปัสสนานะค่ะคำว่าต้องก็ไม่มีในวิปัสสนา มีแต่รู้อย่างที่มันกำลังเป็นต้องกําหนดรู้ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่มีคําว่าต้องค่ะถ้าต้องเมื่อไหร่แล้วก็ไปใช้ความรุนแรงกับจิตละล้อให้เรารู้อย่างสูงว่าความโกรธเกิดขึ้นใจเราโกรธดูแล้วไม่หายอย่าไปอยากหายนะะให้รู้ว่าใจไม่เป็นกลางต่อความโกรธให้รู้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าต้องหายโกรธนะคให้รู้ว่ากําลังโกรธอยู่แล้วความโกรธนี้แรงนะ ใจไม่ชอบเลยใชจอยากให้หายรู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าอยากให้หายเรียกว่ารู้ทันจิตเท่ากับว่าเราดูจิตนิทีละดวงให้ดับใช่ไหมเจ้าคะดูไปทีละดวงเพราะจิตมันมีทีละดวงค่ะจะไปดูทีละสองดวงไม่ได้มันมีอันเดียวคือสภาวะอันไหนที่ชัดก็เอาตัวนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าไม่ว่าเรารู้สภาวะอะไรแล้วนะถ้าจิตยินดีให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายให้รู้ทันรู้สภาวะแล้วแล้วรู้ทันจิต ในขณะที่สภาวะดวงนั้นเกิดใช่ไหมเจ้าคะมันจะต่อกันต่อกันมันจะต่อกันมันไม่ได้รู้ทันทีพร้อมๆกันอ๋อเช่นมันโกรธทีแรกตอนที่โกรธเนี่ยไม่รู้แต่มารู้ว่าโกรธแล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่อยากโกรธหรือไม่ชอบเนะี่ยรู้อย่างนี้อยากให้หายค่ะนะรู้ทันอกมาถึงจิตถึงใจรู้แค่สภาวะไม่พอต้องรู้ให้ถึงจิตว่าจิตนั้นหลงยินดีจิตนั้นหลงยินร้ายให้รู้ทันอ๋อดูต่อนเนื่องทุกขณะจิต เิจะกดสภาวะดูต่อเนื่องเท่าที่ดูได้ทุกขณะจิตดูไม่ได้ดอกไม่งั้นจะจะกลายเป็นนั่งจ้องมีหน้ายมถึงไปติดขัดอยู่เรื่อยมันจ้องอ่าใช่อ่ะจ้องมันเฝ้าไว้ทั้งวันเลยอ๋ออันนี้อันนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูสังเกตหน้าหลวงพ่อ ใช่สิหลวงพ่อเก๊กหน้าเสมอยเลยอย่างนี้แสดงว่าโยมใหกำหนดผิดจิตที่ดีที่สุดคือจิตตรงนี้แหละตรงนี้นะคะเออค่ะเมื่อกี้ติดอารมณ์อยู่ค่ะได้โยมกลับไปจะแก้ค่ะไม่แก้เดี๋ยวตีตายเลยวิปัสนาไม่มีแก้ไม่มีห้ามไม่มีต้องกำหนดรู้อย่างเดียวไม่กำหนดไม่ แล้วก็เป็นกําหนดนะก็จงใจทําใช่ไหมอ๋อค่ะเพราะโยมกําหนดนั่นแหละโยมถึงได้ทื่อๆอยู่อย่างนั้นอ๋อปิดมานานมากเลยหลวงพ่อเป็นปีอ่ะมันไม่ดีเลิกแป๊กไม่ต้องเสียดายก็เป็นบุญของโยมที่ได้เจอหลวงพ่อวันนี้อ่ะอย่างตอนเนี้ยตั้งใจมานานแล้วตอนเนี้ยล็อกอีกแล้วทื่อๆอีกแล้วใช่ไ่าใช่ใช่ถ้าทื่อๆเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นจําไว้นะอะให้คนอื่นบ้างสาธุ กลับนมัสา ก, การหลวงพ่อเหคะทีฉันเพิ่งเริ่มมาติเริ่มทำปฏิบัติมาได้สักสาเดือนนะะเริ่มจากการที่เขาบอกให้ภาวนาพุโทโธก็จะพอเริ่มภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆพอภาวนาไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันก็จะเหมือนกันนิ่งขึ้นก็จะไปภาลพุโทโธมันหายไปเขาก็ภาวนาพุโทโธหายไปเองเราก็ให้ดูลมหายใจก็ดูลมหายใจมันก็จะมีพอดูลมหายใจเขาออกเดี๋ยวก็จิตก็ ฟุ้งนุ่นฟุ้งนี่ก็ดึงกลับมาแล้วก็ว่าสักพักอยู่ได้อยู่ได้สักพักเอ้าเงียบไปเอาหายไปแล้วกลับไปพูดโทรใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่รู้จะเริ่มยังไงไปทางไหนมันเริ่มแล้วมันเริ่มเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมว่าจิตใจเราขนาดนี้นะไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ภาวนาไม่มีไม่ไมไรู้สึกไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกัน รู้สึกหมความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าความโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าดูว่าตัวไหนออกบ้างล่ะเอาคว า, ามหงุดหงิดออกไปได้เยอะอไม่ได้ฝึกเอาความหงุดหงิดออกนะแต่ฝึกว่าหงุดหงิดแล้วก็รู้ทันความหงุดหงิดหายไปก็รู้ทันไม่ได้ฝึกเพื่อจะไล่มันแต่ฝึกเพื่อรู้ว่ามันมีอยู่หรือว่ามันหายไปแล้ว ดูกราภิกุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแต่จะทําได้ตอนที่ที่นั่งภาวนาจะทําได้แต่พอละพอเราไปทําชีาวิตประจำวันาเนี่ยเหมือนกับไม่รู้ตัวเลยไม่เหมือนกับว่าจะมีทําได้เฉพาะตอนที่นั่งภาวนาเท่านั้ น, นะคะ่ะเออเขนั่งบ่อยๆหน่อยนั่งบ่อยๆ อ, ย อ, อที่ฝึกอยู่ตอนนี้เข้าท่าแล้วนะพุทโทไปเจ้าตอนเนี้สงสยัยทราบไหมสงสยัยเพราะว่าพอพุทโธ ที่หลวงพ่อถามว่าสงสัยทราบไหมหลวงพ่อหัดให้ดูสภาวะการปฏิบัติที่แท้จริงนั่นคือการหัดรู้สภาวะอย่างเราเห็นไหมความสงสัยเมื่อกี้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปตอนนี้สงสัยใหม่เกิดขึ้นมาแล้วดูอย่างนี้นี่แหละคือการปฏิบัติหัดดูสภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นสดๆร้อนๆแล้วก็เห็นสภาวะนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปเนื้อสภาวะอย่างอื่นก็ามาแล้วก็ไป น, นี่แหละคือการปฏิบัติ สงสัยอีกแล้วทราบไหมนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติต่อไปนี้จะให้การบ้านเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจนะแต่ต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้เช่นสงสัยรู้ว่าสงสัยนะงงรู้ว่างงรู้สึกไหม<ง>ของของหนูเนี่ยงงเป็นสนาระเลย งงมันตลอดเวลาเลยหัดดูงงไปงงก็เป็นสภาวะนะเท่าเทียมกับความเฉลียวฉลาดจิตงงรู้ว่างงก็เห็นว่าจิตมันงงได้เองรู้สึกไหมอยู่ๆมันก็งงขึ้นมามันก็ผุดความงงขึ้นมาแล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปพอคิดใหม่ก็งงใหม่พอไปรู้ว่างงไม่ได้คิดความงงก็หายไปมันก็เกิดดับให้ดูสงสัยอีกแล้วเห็นไหมไปดูสงสัย เพรว่ามีให้ดูทั้งวันเลยให้กันบ้านแล้วนะแล้วมาส่งกันบ้านว่าไปดูสงสัยแล้วเป็นยังไงเอาต่อไป ก, กร่าวณมรัชการครับหลวงพอ่อครับแต่ก่อนติดสมาธิครับได้ฟังเทศจากหลวงพอ่อก็รู้สึกว่าจะมีสติมากขึ้นดีกถูกใช่ได้ร่องรอยที่เคยติดสมาธิมันก็ยังมีนะ แต่ว่ามันไม่เสียหรอกหลวงพ่อเอ่งเล่นสมาธิทั้งยี่สิบสองปีแต่พอเรารู้หลักของวิปัสสนาแล้วเนี่ยจิตที่เราเคยฝึกสมาธิมาชํานาญนะมันมีกําลังสามารถเดินวิปัสสนาได้ยาวเพราะฉะนั้นะตอนนี้คุณเดินวิปัสสนาได้เนี่ยกําลังสมาธิมันจะมาช่วยเราจะดูสภาวะเกิดดับได้ยาวคนอื่นเขาดูได้นิดเดียวเขาก็หนีไปลนะเมื่อเราก็ดูได้นาน เป็นข้อดีนะของการที่เราฝึกมาครับแต่พอวันไหนถ้าเกิดเราทำอะไรเหนื่อยหรือเราตั้งใจมากจิตมันจะเข้าไปอยู่ที่เดิมฮะตั้งใจมากเป็นคำสุภาพนะเราเปลี่ยนภาษาใะบอกโลภมากพอรูว่าโลภแล้วมันไม่เอาแล้วทีเนี้ยก็ตั้งใจฝังเราดีแล้วกยจ้องเลยถ้าจ้องก็แน่นนะครับแล้วแล้วอพอมันเข้าไปอยู่ที่เดิมอย่างนี้ครับ มันควรจะจะต้องทำยังไงหรือว่ารู้ทันยังไงไหมครับจี่จริงติดสมาธิอย่างของคุณ้นะให้พิจารณากายไปเลยครับก็จะเห็นเลยมันจิตมันไปอยู่กับลมหายใจแต่ที่จะอยู่กับลมแล้วนิ่งอยู่อย่างนั้นนะให้พิจารณาไปเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนะไม่ใช่ตัวเรา เป็นของที่จิตไปรู้เข้ามีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกสอนมันไปอย่างเนี้ย อ, อสอนคิดสอนมันนําไปเลยนะครคิดนําคิดสอนไปเลยครับคือคนที่ทรงสมาธิอยู่เนี้ยออกจากสมาธิมาให้สอนเรื่องกายเลยให้พิจารณากายเลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะแยกขันง่ายจะเห็นว่ากายกับใจเนี้ยแยกกันอ๋อครับแต่ถ้าเราทรงฌานนะถ้าเราเข้าฌานได้จนกทั่งโลกนี้ดับไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียว แล้วพอออกจากสมาธิมามีร่างกายขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นไปเนี่ยจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยควนละอันกันจะไม่รวมกันอีกแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ได้ชานเราแค่ได้เป็นขณะขณะมันก็จะรวมบ้างแยกบ้างอ๋อครับนะแต่ถ้ามันนิ่งอยู่ก็พิจารณาเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหนะลวงพ่อมีอะไรแนะนาเพิ่มเติมไแนะไ<ห>น <c oughs> ไปทาเอาขอถวาย การปฏิบัติเป็นพุทธบูชาให้กับพระพุทธศาสนาในทุกบุทธการลสมัยครับพร้อมขอถวายแด่พระอาจารย์ปาโมดครับแล้วก็ทุกดวงจิตที่อยู่ในวัฏสงสารทั้งหลายให้มีส่วนร่วมและได้รับในบุญกุศลของข้าพเจ้าครับสาธุโยมภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนมาเขาปีที่เจ็ด โยมยังไม่เคยถวายการปฏิบัติกับหลวงพ่อเลยโยมขอถวายการปฏิบัติกับหลวงพ่อค่ะเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็เมื่อคราที่แล้วหลวงพ่อบอกให้โยมดูตัวที่ว่ามันอยากจะพลนพลนไปเห็นไหม <laughs> เห็นค่ะแล้วก็ให้ดูว่ามันยังเกียดสภาวะอยู่นิดนิดแต่ไม่เป็นไหลหลวงพ่อเตือนไว้อย่างนี้ให้ดูด้วยความเป็นกลาง ขณะ น, นี้ดูได้มันก็จะสบายนะค่ะขณะ น, นี้ก็ยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลวงพ่อ ม, มีอะไรจะแนะนำให้โยมทำต่อไหมคะให้ทำต่อแหละค่ะนะแต่ว่าในรูปแบบไม่ทิ้งนะค่ะทำไปสบายๆค่ะอย่างเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ทำให้จิตสงบจิตอะไรหรอกทำเป็นเครื่องอาศัยของจิตไปค่ะโยมไม่เคยทำให้สงบค่ะถ้าจิตมีเครื่องอาศัยอยู่จิตจะได้มีแรงค่ะ แล้วขนาดนิยมพอมีแรงไหมคะขนาดนิยมพอมีแรงไหมคะแรงมันยังตกเก่งอยู่แรงยังตกเก่งอยู่ใช่ไหมคะมันฟุ้งเก่งฟุ้งใช่ไหมคะค่ะงั้นเราใล้ยๆแบตเตอรี่เรายังไม่ค่อยดีนะเราต้องชาร์จบ่อยเลยค่ะมันก็ยังชาร์จบ่อยก็คือทําในรูปแบบไปมีเครื่องอยู่ไปค่ะตั้งแต่ป่วยเยอะๆเนี่ยค่ะในรูปแบบ จะน้อยลงในต้องแบบทําอะไรไม่ได้ก็พูดโทพูดโทไปก็ยังดีค่ะก็แต่ก็จะเห็นตัวสภาวะที่เกิดอย่างเช่นกิเลสที่เกิดขึ้นมาบ่อยๆก็คือตัวโทสะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูใช่ได้ค่ะกราบขอบพูนหลวงพ่อเจ้าค่ะนมัต ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติมาได้หลายปีเหมือนกันแต่ว่า หนูจะเห็นการเกิดดับของจิตบ้างอะคะ่ะแต่ว่าเราก็เห็นความว่าตัวเองมันร้ายมาแต่ว่ามันก็ยังติดดีแล้วก็ยังรับตรงนี้ได้ไม่ไม่เต็มร้อยอะคะ่ะเราไม่ได้อะไรหรอกนะไม่ใช่ว่าภาวนานจะละโน้นละนี่หรอกรู้อย่างที่มันเป็นหรอถึงเวลามันละของมันเองค่ ะ, ะแล้วมีอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาหนูนั่งสมาธิช่วงนี้จะเหมือนกับว่าหนูไม่แน่ใจว่าหนูไปกดจิตให้มันซึมหรือว่า <c oughs> มัน ยังไปกดสิไดนลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิอย่างนี้ไม่ถูกนะมันไปรวบจิตเข้ามาตั้งแต่แรกแล้ว<า>ยิ้มหวานก่อนยิ้มแต่มันยังตื่นเต้นดูออกไหมเ<า>อออย่างนี้ยังทำไม่ได้<า>ใช้ใจที่ธรรมชาติใช้ใจ<า>ที่ธรรมดานะแล้วก็ทากรรมฐานไปด้วยใจที่ธรรมดาเย่นนะสบาย ก็คือต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกไมหมคะหลวงพ่อทำสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆนะมันดีขึ้นแล้วละ่ะค่ะขอบพระคุณค่ะของคุณที่ส่งกันบ้านแต่เกียบโมหะแทรกไหมนั่งสมาธิมีโมหะแทรกนะเนี่ยรู้ทันเรถ้าเราหลับตาแล้วโมหะแทรกเราก็เพิ่มความรู้สึกตัวลืมตาให้มมาก็ได้รู้สึกรู้สึกนะพอแจมใสดีแล้วหลับใหม่ก็ได้นะ ไม่งันเดี๋ยวเราไปแช่กับโมหะกล่าวนำมัศการหลวงพ่อค่ะปกติหนูก็ทำโดยการดูลมค่ะแล้วก็ดูอากุศลแล้วก็ละอากุศลนะคะแล้วทีนี้เนี่ ย, อยมองเมันนะคือมองเห็นโกรธโลภแต่ฟุ้งซ่านนะคะทั้งวันเลยมองมอไม่ทันไม่ทราบว่าสมาธิไม่เพียงพอหรือเปล่าอะค่ะไ ม, <อ>ไม่ใช่หรอก จิตของเราเนี่ยมันเป็นไปตามความเคยชินมันเคยโกรธมันก็จะโกรธมันเคยโลภมันก็โลภห้ามมันไม่ได้เมื่อเราไม่ได้ฝึกห้ามมันถ้าห้ามมันจะเครียดแต่เราฝึกรู้ทันมันเราเพียงแต่ถือศีลห้าไว้โกรธแค่ไหนก็ไม่ให้ผิดศีลห้าโลภแค่ไหนก็ไม่ให้ผิดศีลห้านะแต่ว่าโกรธขึ้นมาเราก็เห็นความโกรธผ่านมาแล้วความโกรธก็ผ่านไปความโลภมาแล้วก็ไปใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธ ดูเหมือนเห็นคนอื่นโลภดูไปสบายๆภาวนาให้มันมีความสุขนะดูสบายๆแล้วตัวฟุ้งซ่านนะคะหลวงพ่อต้องใช้สมาธิมากกว่านี้ถึงจะดูเห็นหรือเปล่าคะฟุ้งซ่านต้องบริกรรมช่วยนะ่าพุทโธพุทโธก็ได้จะบริกรรมเมตตาคุณนางอรหังเมตตาก็ได้นะแล้วเวลาหนูดูลมเนี่ยหนูไม่ทราบว่าทําถูกต้องหรือเปล่าอ่ะอ้าวดูสิดูแรงไป เอาใหม่ขยายความรู้สึกลืมตาขึ้นมาก่อนยิ้มหวานและใช้ใจอย่างนี้นะอย่าไปเปลี่ยนจิตนะให้ใช้ใจที่ธรรมดาอยงี้เห็นร่างกายหายใจอย่าดูที่ลมนะรู้สึกทั้งร่างกายเห็นร่างกายนี้หายใจพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนมาให้ไปจ้องไว้ที่ลมนะาบอกว่าภิกษุทั้งหลายเท่าครูบรรลังตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกร่างกายหายใจออก ใครรู้จิตรู้นี่เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้ด้วยใจที่สบายๆนะสมาธิมันจะเพิ่มแล้วบางทีมันต่อขึ้นปัญญาเลยมันเห็นว่ากายกับใจนี่ครละอันกั น, นหนูขอการบ้านเพิ่มค่ะนี่ให้แล้วไงไปหาาย ใ, ใ, ใจนี่แหละเวลาเดินทำงานในชีวิตประจาวันก็ดูอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เวลาเดินก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะขอบคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้ไม่ได้มีข้อสงสัยเรื่องอะไรเพราะว่าจะมากราบเรียนหลวงพ่อว่าจากการที่ปฏิบัติเนี่ยรู้ได้เลยว่ากายใจเนี่ยมันทุกน้อยลงทุกๆวันทุกน้อยลงแล้วก็เมื่อมีทุกขใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีหลักที่จะพาไปได้ก็เลยตั้งใจว่าจะขอกราบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหลวงพ่อแล้วก็ทีมงานทุกๆคนค่ะได้เห็นผลประโยชน์จากการปฏิบัตินี้มาค่ะสาธุสาธุ ทีมงานชื่นใจจินได้นอนหลับเลยคราเนี้ยทํางานหนักมากนะเงินเดือนก็ไม่มีไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอย่งตามหลวงพ่อหลวงพ่อไปเทศที่นู่นที่นี่นะพวกนี้แบกกล้องตามไปขับรถไปเองนะข้าวก็ไปหากินเองน่าสงสารแต่ความจริงต้องอนุโมทนาหมดยังน้ำมัสการครับหลวงพ่อครับ อ, อ พอผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาและพยายามปฏิบัตินลครับพอผมนับถือศาสนาพุทธ8ปดหรือ9ปีแล้วนะครับแต่ภายในหอกเตือนนี้นะครับผมพยายามปฏิบัติเยอะขึ้นนะครับเช่นทั้งวันผมพยายามดูใจเป็นยังไงนะครับและเวลาผมนั่งสมาธิผมพยายามฝึกวิปัสสนานะครับ พอผมอยักถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติของผมถูกต้องไหมหรือผมต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับและสมาธิของผมก็เป็นยังไงหลวงพ่อครับคือปฏิบัติตอนเนี้นะรู้สึกไหมกายกใจเป็นโคนละอนครับนะสุขความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเขาคนละอันกับใจนะขันมันแยกได้แล้วล่ะครับพาขันนั้นแยกได้เราก็เห็นแต่ละขันเนี่ยเขาเกิดดับเกิดดับไปตัวไหนเด่นก็รู้ตัวนั้นนะ ความรู้สึกเด่นก็รู้ความรู้สึกเ้อใจมันเฉยๆก็เห็นร่างกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะส่วนการทำสมาธิเนี่ยต้องทาควรทำนะเวลาทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินปัญญาตลอดทำให้ใจได้พักผ่อนได้สงบบ้างจะดีนะเพราะว่าถ้าเราทิ้งสมาธิไป น, นานๆใจจะฟุ้งซ่านจะไม่มีแรงนะสมาธาก็ทำนะทาให้ได้ทั้งสองอย่างของคุณทําได้สองอย่างครับอบคครับ ลำดับสุดท้ายก็จะขอโอกาสทุกท่านเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลากล่าวคำถวายทานนะครับน้อมใจตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจทายาทธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินเยถาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปา ฉันโธปนารโสยถามานิโชติราสโสยถาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจายโนจตตาโรธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ นานะไม่เจอกันสองเดือน